12. โจรีวุตถาปณะสมุทฐาน269โจรีวุตถาปณะสิกขาบทว่าด้วยการบวชให้สตรีผู้เป็นโจรโจรีวุตถาปณะสิกขาบทนี้เกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกายและเกิดทางทวารทั้งสาสิกขาบทนี้พระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นพระธรรมราชาทรงบัญญัติไว้ว่ามีสองสมุดฐานไม่ซ้ำกันโจรีวุติฐาปะนะสมุดฐานจบ